จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำเรียกว่าเป็นประจำจิตนนิสัยของจิตไม่ได้คิดเดี๋รุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุมก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่ง น, นั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหลว่าเป็นเพื่อน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 แห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันแล้วจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนได้ตั้งแต่จิดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายกายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อย ลงไปโดยลำดับและให้นิดคาดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมไม่ควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเรามมนมีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้อันจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธี เราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของกิจและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกิจมันกม็มีอะไรปิดบงังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึ ง, งเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกผลใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ําบนบกบนอากาศใล้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกแะรบ ัความก็ต่อกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิวธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกทั้งทั้งที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะ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 นี่เราจรึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกรอการแก้กิเลสนี่พูดแล้วเลอขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหเรื่องนี้พูดมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้น ถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจงึงได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เดาก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมดูอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นํามา ส, อ, สอนก็ดีพี่ในศึกษาโราเรียนก็ดี เราจรึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกเพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกการปฏิบัติก็เพื่อจะตอดถอนทุกตามอุบายที่ท่านสอนไว้สาตร์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น มันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้รู้อย่างมีมากมายกลายกองแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากนิเวศนิเวศป้า้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแจากด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากจนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะ ะจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลําบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติชั้นมันณ์หน้าไหนก็มัมนก็เหมือนเหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นกา ร, ป ร, ปรเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือความเกิดขึ้นมา เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงฉายมีเชื้ออันในพาให้เกิดนึ่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่ก่อไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ทักผู้จูงผู้นำ ผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นด้วยอย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสันโลก ท, ทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกขกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องิดขึ้นมาเรื่อยื่อยเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยเื่อยหาทางสิ้นสุ ด, ดยุติไม่ได้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 ลำทางตนเองแล้วแก้ทุกข์ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับคบรกูกระวาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในเนี่ยทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลาดับนี่ท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสัจธรรม นว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นนะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทือนอยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกกันทางนั้นประกาศอยู่ในกัางวานอยู่ภายในกาภพนิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินพรหมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกจะมีอยู่ในสถานที่นั้น และสัจธรรมคือทุกขสัจเรายกทยุกขสัจขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงตรงทิประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้หรอไม่เห็นห่ือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสักรกับุคนทั่วทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิ จ, จังปะชประเชเิร เ, ช เ, ตเตสติ อันทกาโอเลนโอนัทธาปฏิปังนันเวสถะอย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาตนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพื่อเพลินกันไปหาอะไรน่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราเนี่ย โนุห้าโซ่นหมายถึงว่าหัวเราะรื่นรึงมั่นถึงนิจจังปฏิเสธเจตสิทนิ์หมายถึงว่าไฟที่เลกตันหาแต่ว่ามันเผาผลาญที่ตลอดเวลาทําไมจึงมีจ่กิจจใจเพเลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังปฏิปังนักเวสชาจึงอันธากาโลเลนโอนะถาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตาม ความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นและตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงมจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ละไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอาวาทของพระตุทธเจ้าเป็นพุทธภาสิต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 เป็นงชาตินี้เราก็ยังจําไม่ได้ทำมาทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วลุงลืมไปแล้วลุงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลานี่นเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพเนชาติของเราที่เป็นมามากน้อยขักวขีพยานยก็คือตัวสําคัญได้แก่กิเลส ที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภกทุกชาติล้วนแน่ตั้งแต่เป็นไปเพราะขี้เละเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะขี้เละตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจอืนี่เป็นเครื่องยืนยันพวพชาติทั้งตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามเมื่อกี่พภิกชาติจะเคยเป็นมา มันบอกอยู่ภายในนี้ถ้านลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคําว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายามันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผึกที่งเลี้ยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความ้านทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมนมีแต่ยิ่งเลี้ยเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในใจิตใจ มันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั้นเองนี่แะแต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกังวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกาธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสตรธรรมงานสตจธรรมคือทุกขศาสต ร, ร์ก็เป็นศาสตรธรรมข้อหนึ่งสมุทยรรัยศาสตร์ก็ได้จากตัวที่เลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมา ให้สัตร์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานน่มันก็ประกาศกลางวานอยู่ภายจิตใจของสัตว์โลกไทําเมอมรรคคือข้อปฏิบัติทางนำเนินไม่มีสัตจะทำทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตําแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองแมขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ในใจจิตใจของสัตว์โลก นั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุก<ม>เรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาําแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัตถจักร ให้หมุนให้สาสตโรกได้มุนไปหมุนมาเกิดเจ็บเจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันตายขอบดงต่ไปต่ยมาอยู่นั่นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมที่เลียดมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัตตจับมันหมุนอยู่ในวัตตจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดเจ็บจจเจ็บตายเกิดเจ็เจ็บตายต่อเมื่อได้สัจธรรม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 หนึ่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกําจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเขามาทํางานอยู่ในที่นี้กิเยสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลําดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรกิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัจ ทำหน้าที่ยทดชำระอธิกรณ์ทำลายวัตจักซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำาลายหม้อนารกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายใน จ, ใจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุติปนิพานห์ดุดพ้นแล้ว จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตจักรได้แก่ความเกิดแก่เกิดตายมุ่นเย็นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัตจักรเจ้าหู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสร์นี้เป็นเครื่องทําลายนิโรธท่สัตมนั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลําดั บ, ดบอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อยนั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมารกษัตร์ก็มาทํางานอยู่ภาจิตใจกิเลส ก, ก็ทํางานอยู่ภายใจิตใจทอำนากิเลสไปได้มากน้อยก่็นั้นอํานาจของมารกษัตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลาดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมารกษัตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยสัตว์ ไม่หมดไปจากใจโดยที่เชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีจิตในเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแจกเิบตายในวัฏฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจกักรนี้ก็คือาศาสนธรรมมีมากแปดเป็นสำคัญถ้า นอกเหนือไปจากมรรคแบบนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตัวเด่นหรือด้วยความอยากของตัวเด็นเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัพ์สรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัพพ์เป็นสาคัญได้แก่ปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทาลายกิเลส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 ของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้เรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินวัตจักได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิง ผู้นั่นจะไม่มาตกหลุมตกตกเหวตกบ่อคือความกิดเจ็เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพยามัจุราชมันจะมาเอาก็ได้จะ ก, กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้อเอาเก็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรณาทาตขันไม่มาขาดขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บ แต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกนั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกเช่นเดียวกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกนี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รรับทราบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเป็นที่หนึ่ง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 มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกตุกระเกินใจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินญิดพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในธานในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เ ย, ะยะียวยาเมื่อเย่ยวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตาม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 แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยโด้วยลําพังตนเองแต่ามีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทาน่นกันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พุทธเจ้าทรงต่างสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบอกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโตอยู้ก็เป็นสุขโต ถอดขันตาไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดท้าให้เป็นสุขโตความทุกนี้เป็นสนามรบกับกิเลสไปนาให้ดีเราได้ก้าวพอแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมไหมครับ ทำลายเราตลอดมาแพ้เขาลรืล ơi, ่อยๆเพราะเราไม่สู้หวงเราอยอกทีนี้เราสู้ตอนเห็นชาชนะอันถึงเรียกว่านักลบไม่ใช่นักหลบอะไเกิดขึ้นมาก็หลบหลบหลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามไปเดียวเลยเาไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าหามลงเวทีนีเรียกว่านักมวยเอว่ะ นี่เราก็นักสู้เอกสู้ไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้านี่พุทธังสังฆังส น, ง น, นังฉาี้คือผู้กล้าหารชานไถยต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง ด้วยสติปัญญาแต่แม่กล้าวิเฉยให้เาตีเอาโต้วุ้มตุมนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราก็ชื่อว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลัก นาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจจะกผีไปไหนแล้วไม่ต้องประชิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทำความดีทำความเฉลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสำคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้พราะมเป็นสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อ มีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาดเดอะทมด